บุ๊กทูห้าสามร้านค้ามาจิเนเรากาลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา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 เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาเรายากำลังมองหาร้านขา ย, ยาเครื่องประดับดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ ยาสุกายุฟูโตมาฮาเซนดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานยาสุกายุคอนเดิตอร์กอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนยาไมยูนามิร์คุปิติเพิร์อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ ฉมอคุ้ลีกอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กฉมีน้ำที่ร์ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม Ин, ฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก